สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่นะครับชีวิตพระเยซูตอนที่สิบแปดนะครับและหัวข้อย่อยก็คือเราจะทําความรู้จักกับพวกฟาริสีและพวกเซดรูสีนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าพระเยซูนั้นนนั้ได้กล่าวถึงพวกฟาริสีและพวกเซดรูสีนะครับในมัทธิวบทที่ยี่สิบสามครับมัทธิวบทที่ยี่บสามนั้นพระเยซูได้กล่าวตรัดกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพวกธรรมจารพวกปริสีที่นั่งอยู่บนที่นั่งของโมเศสพวกเขานั้นได้สั่งสอนคนอิสราเอลให้ถือประพฤติตามให้เว้นการประพฤติบางสิ่งบางอย่างเขานั้นพระเยซูบอกว่าเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์แต่ตัวเขาเองนั้นแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยอันนี้ก็คือนาโต้นะครับก็คือ no a t o และ t only ที่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับฟาริสีนั้นเป็นใครและซาดูสีนั่นเป็นใครฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มผู้นำทางศาสนาของยิวครับเขานั้นมีบทบาทสำคัญในปาเลสไตน์ที่มาที่ไปของฟาริสีก็คือเขานั้นเกิดจากกลุ่มคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะประพฤติตามกฎบัญญัติทุก ข, ข้อของโมเสสนะครับในสมัยเพิ่มพีใหม่นั้นผู้นำทางศาสนาของยิวแบ่งเป็นสองพักใหญ่ๆที่เราทราบกันมาแล้วนะครับ ก็คือพรรคที่มีจำนวนสมาชิกมากเลยนะครับก็คือพรรคปริศีส่วนอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคสะดุศีสองพักนี้ครับเกิดขึ้นในสมัยที่ประเทศกรีกหรือมห า, หาจักรกรีกนะครับปกครองปาเลสไตน์ในราวปีประมาณสองสามร้อยปีก่อนคริสตศักราชเรารู้นะครับว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นจกกักรพรรดหรือมหาราชกษัตริย์ของคนกรีกครับได้ขยายอาณาจักร อาาบริเวณตีเป็นเมืองขึ้นมากมายนะครับในประเทศอินเดียนะครับต่างตะวนออกและตะวันตกก็จดยุโรป ค, ครับจดฝรั่งเศสพี่น้องครับเมื่อคนยิวนะครับหรือปาเลสไตน์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอเล็กซานเดอร์มารากก็คือจากวัดกรีกนั้นคนยิวนั้นก็รับเอาภาษากรีกรับเอาความคิดของกรีกนะครับในเชิงปรัชญาของกรีกเช่นอะิสโตเตเพลโต ต่างๆเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มาปะปนอยู่กรีกนั้นเขาใช้การขยายอํานาจและดํารงซึ่งอํานาจไว้โดยการขยายทางวัฒนธรรมทางภาษาครับด้วยเหตุ น, นี้ภาษากรีกนะครับจึงเป็นรากฐานของภาษาอังกฤษรากฐานของวิทยาศาสตร์รากฐานทางการแพทย์เยอะแ ย, ยะมากมายไปหมดเราเห็นนะครับว่ากรีกก็ยังเป็นต้นกําเนิด ของพักสองพักนี้นะครับก็คือพักฟาริสีและก็พักซาดูสีพวกฟาริสีนะครับเข่งครัดในเรื่องของการถือขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อห้ามต่างๆพวกเขาถือว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยใครเลยนอกจากพวกสาดูสพวกฟาริสีองค์เขาเท่านั้นฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมคบกับคนต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวยิวที่ไม่เข่งาศาสนานะครับพวกฟาริสีนั้นพยายามตี ตัวออกห่างจากบรรดาคนต่างชาติและคนในชาติเดียวกันที่ไม่เร่งพวกปริศีนั้นพยายามทพียรตีความบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการปฏิบัติครอบคลุมถึงการดําเนินชีวิตในทุกด้านจึงเกิดกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยข้อที่ไม่มีในพระบมทีครับแล้วก็ตู่เอาว่านี่คือบัญญัติของพระเจ้าจากกฎเกณฑ์หยุมหยุมหยิมห ย, ยิมในเรื่องต่างๆเช่นนะครับ การถือพิธีล้างชำระการถือศีลอดอาหารการถวายทศสางการกล่าวสาบันตัวจิงต่างเหล่านี้ครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นข้อหยุมมยิ ม, ยมตามความต้องการตามเจตนาลมของตัวเองพวกฟาริสีบางคนนะครับสนใจแต่เรื่องการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเท่านั้นแต่ไม่สนใจเรื่องสภาพฝ่ายจิตวิญญาณไม่สนใจสภาพจิตใจความรู้สึกของคนพระเยซูกล่าวตำหนินะครับ ในมัทธิวบทที่ยีิบสามบอกว่าวิบัติวิบัติวิบัติมากมายหลายครั้งทีเดียวนะครับในข้อที่สิบสามในข้อสิบห้าในข้อสิบหกในข้อยี่สิบสามในข้อยี่สิบห้าในข้อยี่สิบเจ็ดในข้อยี่สิบเก้าพี่น้องครับสามสิบหกข้อด้วยกันครับที่พระเยซูนั้นได้ตรัสนะครับคําว่าวิบัติให้กับพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ครับพูดง่ า, งงายๆว่าแทบจะทั้งบทใน มัทธิวบทที่23นะครับก็จะเป็นคำตำหนิบรรดาพวกปริศีและพวกธรรมจารย์ทั้งหลายพี่น้องครับเรามาดูนะครับในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกซะดูสีครับซาดูสีนั้นเป็นกลุ่มผู้นำศาสนาของชาวยิวในปาเลสไตน์เช่นเดียวกันก็ถือกำเนิดมานะครับตั้งแต่ในสมัยของกรีกครับส่วนใหญ่คนที่เป็นกลุ่มผู้นำศาสนา พวกสะดูสีนั้นเป็นผู้นำทางการเมืองครับมีอิทธิพลในสภาหิว่พูดง่ายว่าคนเหล่านี้เป็นชนชั้นปกครองมีเศรษฐกิจที่ดีร่ำรวยตระกูลมหาปุโรหิตก็ล้วนอยู่ในพรรคสะดูสีครับพรรคสะดูสีนั้นเป็นกลุ่มหรือเป็นพรรคที่มีความสำคัญมากในช่วงปี200ปีก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งถึงปีคศ70เรารู้นะครับว่าปีคศ70นั้น เป็นปีที่กรุงโรมนะครับหรือโร ม, มันย่าตรากองทัพเข้ามาเพื่อที่จะมาทำลายอิสราเอลให้ราบคาบและในที่สุดเขาสำเร็จครับเขาทำลายอิสราเอลทำลายพระวิหารทำลายความเป็นชนชาติยูและลบคำว่ายูดาออกจากแผ่นดินหรือออกจากแผนที่และใช้คำว่าปาเลสไตน์แทนเพราะฉะนั้นดินแดนปาเลสไตน์จึงถือกาเนิดมาตั้งแต่คศ70ครับเพื่อที่จะลบ เอาแผ่นดินยูเดียแคว้นยูเดียออกจากแผ่นที่พวกเขานั้นได้สิ้นชาติตั้งแต่คศเจ็ดสิบเป็นต้นมาเกบจนกระทั่งหนึ่งเก้าสี่แปดครับอิสราเอลจึงสามารถตั้งก่อตั้งประเทศชาติมีรัฐชาติมีแผ่นดินเป็นของตัวเองถือว่าเป็นโมเดิร์นอิสราเอลนะครับที่นั้นครับกลับไปถึงเรื่องสะดูสีครับพวกเขานี่ น, นะครับปฏิเสธคาสอนและการปฏิบัติทุกอย่างที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในหมวดธรรมบัญญัติ มัวทำมาบรรยัตินั้นก็คือโตราครับถ้าพี่น้องจําได้เป็นหนังสือห้าเล่มแรกที่เขียนโดยโมเสสห้าเล่มแรกของพระบัพติศมเดิมนะครับพวกเขาหรือพวกชาดุสีนี้ไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่เชื่อเรื่องการรับบาเหน็จรางวัลหรือการรับโทษหลังความตายสิ่งที่พวกเขาเน้นมากก็คือความมีอิส ร, สริสิรภาพในความเป็นมนุษย์พวกนี้เปรียบเทียบกับ พวกโมเดิร์นนิสก็ได้นะครับโมเดิร์นนิสก็คือพวกหัวสมัยใหม่ในสมัยนี้พวกเขานะครับก็ไม่เชื่อว่ามีกรรมนะครับมีอะไรที่ตามมาหลังจากความตายเพราะฉะนั้นพวกเขาเชื่อว่าทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดก็จะดีพี่น้องครับลักษณะของพวกปริศีพวกธรรมจารย์หรือพวกสะดุศีนั้นเริมพีเรียกว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิชั่วนะครับคนที่มีทิฏฐิชั่วนั้น คงไม่มีไกลเกินพวกฟริสีครับเพราะพวกพวกฟริสีนั้นเป็นศัตรูตัวยงของพระเยซูไม่ว่าพระองค์จะไปสั่งสอนที่ไหนพวกฟริสีจะติดตามไปฟังหรือให้คนของเขานันติดตามไปจับผิดพระเยซูตลอดครับหรือไม่งั้นก็พูดไล่เลียงนะครับคักไซ้ไล่เลียงเพื่อจับผิดพระเยซูแต่พระเยซูก็สามารถนะครับชนะการโต้แย้งทุกๆครั้งได้สุดท้ายครับพวกปริสีเถียงช่วไม่ได้ จึงช่วยกันหาเหตุจับพระเยซูนป้ายข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพระองค์และนําพระเยซูไปตึงที่ไม้แหงเขนแต่พวกเขาเข้าใจผิดครับเขาไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นเหนความตายได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากพระเยซูถูกตึงแล้วพระองค์กลับเป็นขึ้นเหนือนความตายครับกลับคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับ พวกนี้มีพฤติกรรมร้ายสิ่งหลายอย่างครับในวันพรุ่งนี้เราจะดูกันต่อไปนะครับว่าลักษณะและพฤติกรรมของพวกปนีสีนะครับมีทั้งหมดอยู่หลายข้อหลายประการด้วยกันนะครับผมรวบรวมมาได้นะครับจากบทความต่างๆที่ไปค้นคว้ามาทั้งหมดสิบสี่ข้อด้วยกันในวันพรุ่งนี้เราจะมาได้ยินได้ฟังกันครับในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราคิดนะครับ ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไม่เป็นพวกฝริสีหรือพวกสะดุสีครับอาเมน